วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสาสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาฟังธรรมกันเพราะการฟังธรรมนี้ เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าฟังทมด้วยวิธีการที่ถูกวิธีการฟังรมที่ถูกวิธีนี้ต้องฟังด้วยกายวาจาและใจที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและทางใจ คือร่างกายก็ควรจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรที่จะทำอะไรต่างๆวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจความสงบของใจก็คือไม่คิดเรื่องราวต่างๆให้มีความตั้งใจฟังธรรมเพียงอย่างเดียว ถ้าสามารถฟังธรรมด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบและใจที่สงบก็จะได้อันนี้สองผลบุญหาประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและสีจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้และ5จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือประโยชน์ อั น, นิสง์ของการฟังธรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบนี้เป็นเหมือนกับการสัมผัสของดินกับแกงเวลาที่มีอะไรมาสัมผัสกับดิน เช่นแกงชนิดไหนแกงจืดแกงเผ็ดลิ้นแม้แต่เพียงแกงแม้แต่จะเพียงหยดเดียวลิ้นก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนส่วนการฟังธรรมที่ปราศจากกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายทำอะไรไปควบคู่กับการฟังธรรม วาจาก็พูดคุยกันไปคุยกันมาใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่เรียกว่าเป็นการทัธรทำที่กายวาจาใจไม่สงบก็เหมือนกับทับพีในหม้ อ, อกแกงเวลาที่ทับพีแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงนี้ทับพีจะไม่รู้รสของแกง ว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจืดหรือเป็นแกงเผ็ดจะไม่รู้การฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่ไม่สงบก็จะเป็นอย่างนั้นจงไม่ได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่หรือเขาหรือรู้ก็ ร, ร, รู้แต่บางเรื่องบางส่วนจะไม่รู้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะทำให้ไม่ กิดความเข้าใจที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องได้ผิส่งของการฟังธรรมก็เลยอาจจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็มีบ้างแต่ไม่มากเท่าที่ควรดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างเต็มร้อยเราก็ต้องฟังแบบกายวาใจใจที่สงบ อย่างในสมัยพระพุทธการที่มีผู้ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบบางท่านบางคนฟังไปแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระสูดาบันเป็นพระสติดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันได้าการฟังธรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จะได้ประโยชน์เต็มที่จะได้ไม่เสียเวลาอันมีค่าของเราอย่าไปเสียดายกับภารกิจการงานต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะยังต้องทำกันอยู่ขอให้คิดว่าภารกิจการงานทางโลกที่เราทำกันนี้ไม่ว่าจะเป็นการหาลาบยศสรรเสริญ หรือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นของชั่วคราวเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ธรรมะคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้เพราะธรรมะนี้จะเป็นแสงสว่างนำพาใจของเรา ให้ได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรายังไม่สำเร็จในภพนี้ชาตินี้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฝังนี้เราก็ยังสามารถเอาไปกับเราได้ถ้าเราจําได้ถ้าเราเข้าใจทรรมที่เราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมแล้วมันจะฝังอยู่ในใจมันจะเป็นเหมือนแสงสว่าง ที่คอยบอกเราให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุของทุกข์รู้เหตุของสุขรู้ทางผังการไปสู่การลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของการฟังธรรมว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากยิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพราะว่า รับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี้มีประโยชน์แค่ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่และเป็นประโยชน์ของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ประโยชน์ของใจนี้ถ้าไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดเปนประโยชน์เลยก็ได้ดังนั้นพอเวลาทุกครั้งที่เราฟังธรรมถ้าเป็นไปได้ ขอให้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบจะได้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันด้วยเลยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกันเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกำจัดความสงสัย ต่างๆในบางสิ่งบางเรื่องนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปัจจัยของชีวิตที่พึ่งของชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันปราศจากทุกภัยทั้งหลายเกิดจากการที่เรามีที่พึ่งของชีวิตที่พึ่งของชีวิตนี้ก็มีอยู่สองส่วนด้วยกัน เพราะชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนคือร่างกายและจิตใจร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งจิตใจก็ต้องมีที่พึ่งถ้าปราศจากที่พึ่งแล้วจะเกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดความเดือดร้อนดังนั้นเราต้องมาศึกษาดูว่าการมีที่พึ่งทางกายและทางใจนี้ คือต้องมีอะไรบ้างและต้องมีแบบไหนมีมากมีน้อยเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าพอเพียงต่อการเป็นที่พึ่งของชีวิตของพวกเราถ้าเราไม่รู้ประมาณที่พึ่งของชีวิตเราแทนที่จะมาเป็นที่พึ่งอาจจะกลับกลายมาเป็นภัยต่อชีวิตของเราก็ได้ดังนั้น เราต้องมาศึกษาให้รู้จักความพอดีเริ่มตอนที่ที่พึ่งทางร่างกายก่อนร่างกายของเรานี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ยากเดือดร้อนนี้ก็จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรปัจจัยสี่ของร่างกายข้อที่หนึ่งก็คืออาหารพวกเราทุกคนนี้ ไม่ปฏิเสธว่าเราอยู่โดยขาดอาหารไม่ได้เพราะเราขาดอาหารเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็เห็นเห็นโทษของการขาดอาหารร่างกายของเราก็เริ่มเกิดความหิวโหยขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องมีอาหารไว้มาคอยบำบัดความหิวโหยบำบัดความทุกข์ที่เกิดจากความการขาดอาหารเพื่อที่จะได้ รักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้โดยไม่มีความทุกข์นี่นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องมีคืออาหารปัจจัยของร่างกายข้อที่สองที่ต้องมี <c oughs> ก็คือเครื่องลุ่งห่มร่างกายของเรานี้เป็นร่างกายที่ไม่เหมือนของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเขาสามารถอยู่ปราศจากเครื่องนุ่งห่มได้ แต่ร่างกายของมนุษย์นี้จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องนุ่งห่มมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เพื่อจะได้ป้องกันภัยที่เกิดจากความหนาวก็ดีและเกิดจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยชนิดต่างๆก็ดีและเนื่องจากความเป็นมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีความประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์รู้จักการที่จะ ทำให้ตัวทำให้ร่างกายของตนนี้มีสงาาส่าราศีมีศักดิ์ศรีมีความสวยความงามมนุษย์เราจึงมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะถึงการมีศักดิ์ศรีการมีเกียรติว่าเป็นอย่างไร สัตว์เดรัจฉานเขาจึงไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่กันนี่คือปัจจัยที่พึ่งของร่างกายข้อที่สองข้อที่สามที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้ก็คือที่อยู่อาศัยมนุษย์ร่างกายของมนุษย์นี้เป็นร่างกายที่ละเอียดกว่าร่างกายของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่ต้องมีที่อยู่อาศัย เขาอยู่ตามป่าตามใต้ล่มไม้ล่มอะไรเขาก็พออยู่ได้ร่างกายของมนุษย์นี้เป็นร่างกายที่มีความละเอียดอ่อนต้องมีที่หลบภัยทางธรรมชาติมีที่หลบแดดหลบฝนหลบอากาศที่ร้อนมากจนเกินไปหรืออากาศที่หนาวเย็นมากจนเกินไปและหลบภัยจาก สิงสาราสตร์ต่างๆหรือจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีงที่อาจจะมาทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายของตนได้เราจึงต้องมีที่อยู่อาศัยที่มิดชิดมีบ้านมีช่องมีห้องมีหับที่เราสามารถที่จ ะ, ะปิดกั้นไม่ให้มีผู้ที่ไม่ปรารถนาดีหรือภัยต่างๆ เข้ามาทำร้ายชีวิตของทำร้ายร่างกายของพวกเราได้เราจรึงจำเป็นจะต้องมีที่ อ, อาศัยและปัจจัยหรือที่พึ่งของใจของร่างกายข้อที่สก็คือเราต้องมียารักษาโรคเพราะว่าถ้าขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายถึงแก่ความตายก็ได้นี่คือสิ่งที่จาเป็นที่ร่างกายของทุกคนจำเป็นจะต้องมีกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของผู้ที่สูงส่งหรือผู้ที่ต่าต้อยก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกัน ของคนที่ร่ำที่รวยของคนที่ยากจนก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่เช่นเดียวกันแต่ปัจจัยสี่นี้ก็มีหลายลักษณะด้วยกันคือแบบปราณีตก็มีแบบไม่ปราณีตก็มีแบบรู้ราก็มีแบบไม่รู้ราก็มีแบบที่มีราคาแพงๆก็มี หรือแบบที่ไม่มีราคาแพงก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ชนิดไหนก็ตามก็สามารถทำหน้าที่ของปัจจัยสี่ได้เช่นเดียวกัน<ม>คืออาหารจะแพงหรือจะถูก<ม>ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วสามารถดับความหิวได้ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ถือว่าเป็นอาหาร เป็นที่พึ่งของร่างกายได้เสื้อผ้าอภารรจะมีราคาแพงหรือถูกถ้าสามารถเอามาปกปิดร่างกายได้ทำให้ร่างกายไม่ดูอุจจาตาแล้วก็ป้องกันภัยของอากาศหนาวเย็นหรือมแมลงสัว์กัดต่อยต่างๆได้ก็ถือว่า เป็นที่พึ่งของร่างกายได้เช่นเดียวกันที่อยู่อาศัยก็อย่างเช่นเดียวกันจะอยู่ข้อรหัสใหญ่โตราคาเป็นร้อยล้านขึ้นไปแล้วอยู่ตามบ้านเช่าห้องเช่าเดือนละไม่กี่พันมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของร่างกายได้เช่นเดียวกันหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เช่นเดียวกัน ยารักษาโรค ก, ก็มีหลายราคาโรงพยาบาลที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มีหลายราคาแต่ก็ทำหน้าที่อันเดียวกันโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆหรือโรงพยาบาลที่มีราคาถูกเวลาเข้าไปรับการรักษาถ้ามันจะหายก็หายเหมือนกันถ้ามันจะไม่หายมันก็ไม่หายเหมือนกัน ถ้ามันจะตายก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลแพงๆแล้วเราจะไม่ตายกันเราจะหายเพียงอย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่<ม>ต่างกันตรงที่การบริการเท่านั้นเองที่อาจจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเองที่โรงพยาบาลที่ถูกอาจจะมีหมอมีพยาบาล น, น้อย คนไข้ยเยอะการบริการก็ จ, จะต้องช้าหน่อยถ้าไปโรงพยาบาลที่เสียเงินมากก็จะมีหมอเยอะพยาบาลเยอะคนไข้น้อยก็จะได้รับการดูแลได้อย่างรวดเร็วกว่ากันเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของที่พึ่งทาง <c oughs> ร่างกายที่พวกเราทุกคนที่มีร่างกายจำเป็นจะต้อง ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขด้วยการมีปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการมีปัจจัยสีน่นี้ก็ต้องมีความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าบางทีมันก็ความการที่ต้องการที่จะต้องมีมากๆ ม, มีของปานี่ของราคาแพ ง, แพง มันนะอาจจะกลายเป็นภารลไปกดดันทางจิตใจไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้เพราะเราจะการที่เราจะใช้ของแพงๆของที่ประณีตเนี่ยเราก็ต้องมีเงินมีทองถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราก็ต้องดิ้นรนกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะามาใช้ให้กับการเลี้ยงดูร่างกายของเรา พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสมักน้อยก็คือเอาพอเท่าที่ร่างกายต้องการอย่าเอามากเกินไปแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะมักน้อยได้ถ้าไม่ได้ตามที่เราต้องการร่างกายต้องการอาจจะขาดบ้างเกินบ้างก็ให้ใช้หลักสันโดษ คือยินดีตามมีตามเกิดวันนี้อาจจะได้มากหน่อยพรุ่งนี้อาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็อขอให้เราอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปเพราะความกังวลเกี่ยวกับการเรื่องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายนี้ มันเป็นภัยต่อจิตใจเราไม่ต้องการจะไปสร้างทุกข์ให้กับจิตใจด้วยการการหาหาปัจจัยสี่ของทางร่างกายแบบเกินกําลังความสามารถของเราให้เราอยู่ตามฐานะของเราตามมีตามเกิดมีมากก็ใช้มากก็ได้มีน้อยก็ต้องใช้น้อยให้ถือหลัก มากน้อยสันโดษเช่นทรงสอนภาคภิกษุนี่ที่มาบวชนี้ให้มีความมากน้อยในปัจจัยสเรื่องอาหารก็ให้รับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งก็พอแล้วก็ไม่ต้องพิถีพิถันว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นเป็นอาหารชนิดนี้ถ้าเป็นอาหารที่รับประทานแล้วไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บรับประทานแล้วทาให้ร่างกาย มีกำลังวังชาดับความหิวได้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีราคาแพงต้องเป็นอาหารที่ปราณีตแต่อย่างดใดเช่นอาหารที่ได้จากบินทบาทตทรงสอนให้พระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้ยินดีกับการอาหารหาอาหารด้วยการบินทบาดเพราะว่าเป็นอาชีพสัมมาอาชีพของพระ พระเป็นผู้ขอเป็นผู้ไปโปรดสัตว์พระจึงไม่ควรไปเบียดเบียนผู้ให้ด้วยการไปขออาหารชนิดต่างๆปล่อยให้ผู้ให้ให้ด้วยความศรัทธาตามกําลังของผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้มากให้น้อยให้อาหารปรานีหรือไม่ปรานีก็เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ให้ไปผู้รับคือ ผ, ผู้ไปบินสบาตก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะการรับประทานอาหารมากมันก็เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจด้วยร่างกายเราคงจะทราบกันสมัยนี้มีการบริโภคอาหารกันมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาที่เรียกโรคที่เกิดจากการมีน้ําหนักเกิน ก็จะมีโรคเบาหวานบ้างมีโรคความดันบ้างมีโรคเลือดไขมันอุดตันบ้างโรคความดันบ้างอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากการที่บริโภคมากจนเกินไปแทนที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายให้ปลอดภัยกลับมาเลี้ยงดูให้ร่างกายเป็นอันตรายต้องไปหาหมอต้องไปหายามารับประทานแล้วก็จะทำให้มีอายุสั้น คนที่มีโรคราเหล่านี้มักจะอยู่ไปไม่ตลอดรอดฝั่งจะต้องเป็นอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากไม่รู้จักการบริโภคอาหารแบบมากน้อยสันโดษหรือไม่รู้จักความพอดีความรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วการรับประทานอาหารมากๆหรือที่มีราคามากๆราคาแพง ก็จะไปกดดันจิตใจให้จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกายแบบหรูหราแบบของแพงๆอาหารแพงๆแทนที่จิตใจจะมีความสุขจิตใจก็กลับจะมามีความทุกข์มีความกังวลเกี่ยวกับการที่จะต้องคอยดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกาย เพราะเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุที่มาบวชนี้ให้ยุดมีคา ม, มากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่อาหารก็ให้อาหาอาหารมาด้วยการบินทบาทแล้วก็รับประทานก็ให้รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอหลังจากกลับมาจากบินทบาทก็เอาอาหารที่ได้จากบินทบาทมาแบ่งกัน ให้ทั่วถึงกันตั้งแต่พระอาวุโสจนถึงพระลำดับสุดท้ายให้มีอาหารพอเพียงแล้วก็ขบฉันกันครั้งเดียวก็พออยู่ได้ไม่ตายแล้วจะไม่มีอุปสรรคทางร่างกายร่างกายจะไม่อ้วนจะไม่มีน้ำหนักเกินแล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญ จิตตาภาวนาคือการจาริญ ส, สตินั่งสมาธิเพราะถ้าไม่รับประทานมากเกินไปนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องของความ่วงเหงาหานอนเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิจะไม่ขี้เกียจเพราะไม่มีความอิ่มถ้ารับประทานอิ่มมากๆนี้จะทําให้ร่างกายนี้ม่วงเหาหานอน จะทำให้ไม่อยากที่จะไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิก็มักจะนั่งหลับกันนั่งสับประงกกันเป็นโทษต่อจิตใจโทษต่อการที่จะสร้างความสุขเป็นโทษต่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น mm hmm. ถ้ารับประทานอาหารโดยที่ไม่รู้จักประมาณให้รับประทานพอดับความหิวได้ก็พอ เพแล้วก็รักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการบริโภคนี่คือเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระเรื่องเกี่ยวกั บ, กบเรื่องอาหารให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็เรื่องเครื่องนุ่งหม่มก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดในยุคแรกๆที่พระพุทธศาสนาอยู่การเผยแผ่ ธรรมนี้ผู้ที่มาบวชนี้จะไม่ไปขอผ้าจากศรัทธาญาติโยมไม่ไม่ต้องการที่จะไปรบกวนศรัทธาญาติโยมนักบวชสมัยพระพุทธเจ้านี้จะไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าชา้าสมัยก่อนนี้เขาไม่นิยมเผาศพหรือฝังศพเขานิยมเอาศพหอ่อห่อด้วยผ้าแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า ให้มันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติของมันศพที่เน่าเปื่อยไปแล้วผ้าที่ห่อศพก็ยังมีประโยชน์ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้นักบวชจึงไปเก็บผ้าเก็บผ้าในป่าที่เราเรียกว่าผ้าป่านี่เองผ้าป่าก็คือผ้าหอ่อศพผ้าที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเรียกว่าผ้าบางสกุล พระภิกษุสมัยพุทธกาลนี้จะไม่ใช้ผ้าสำเร็จไม่ใช้ผ้าที่ญาติโยมตัดเย็บแบบสมัยนี้มาถวายท่านจะไปเก็บผ้าที่หอ่อศพเพราะว่ามีคุณประโยชน์ทางด้านจิตใจหลายอย่างเวลาไปเก็บผ้านี้ก็ จ, จะต้องไปเจอซากศพต่างๆจะได้ใช้การเจริญมรรณานุสติให้เตือนสติให้รู้ว่าร่างกายของเรานี้ มันก็มันก็ไปไปไม่รอดต่อให้มันเลี้ยงดูมันวิเศษอย่างไรอย่างดีขนาดไหนใช้ของประนีตใช้ของแพงแพงมากน้อยขนาดไหนมันก็หนีไม่พ้นความตายไปแล้วเวลาตายก็ไม่มีใครเขาจะเอาของประนีตมาห่อให้กับศพเขาก็เอาผ้าธรรมดามาห่อให้เท่านั้นเองทรัพย์สมบัติของข้าวของที่หามาได้แทบเป็นแทบตายก็ เขาไม่เอามาไว้กับศพไม่ได้ให้เป็นให้ศพเก็บเอาไว้กลายเป็นของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปทําให้ภาพวิสูที่ใช้ภาพบางสกุลนี้จะได้ละลึกถึงความตายเรียกว่าได้เจริญโมนานสติแล้วก็ได้เจริญอ ส, สุภะกรรมฐานได้เห็นสภาพความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามหรอกความสวยงามนี้มันเป็นการปรุงแต่ง เท่านั้นเองเป็นการเสริมเสริมเสริมสวยด้วยเครื่องสำ า, างด้วยการทาสีต่างๆด้วยการทาสีเพราะย้อมสีด้วยการใส่เสื้อผ้าผรณนที่วิจิตรพิสดารเท่านั้นเองที่ทำให้ร่างกายนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นร่างกายที่สวยงามแต่พอเวลาเป็นซากศพไปแล้วนี่ไม่มีใครอยากจะมาขอแต่งงานด้วยไม่มีใครอยากจะขอหลับนอนด้วย ถึงแม้จะเคยเป็นสามีภรรยากันถ้าพอร่างกายของสามีหรือภรรยาตายไปนี้ไม่มีใครเก็บเอาไว้ในบ้านกันเอามาทิ้งที่ป่าชากันจะได้เราเห็นเราจะได้เห็นว่าคุณค่าของร่างกายนี้มันมีมีมากน้อยเพียงไรมันก็มีประโยชน์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่นี้เรายังสามารถเอาร่างกาย มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับเราได้ทำคุณประโยชน์ให้กับจิตใจของเราได้แต่พอเวลามันตายไปแล้วนี่เราทำบุญทคุณประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วอัอนี้คือการใช้ผ้าของพระในสมัยพุทธกาลจะใช้ผ้าป่ากันผ้าที่เก็บในป่าช้าเรียกว่าผ้าบางสกุลแล้วก็ที่ อ, อาสัยท่านก็ให้อยู่แบบ ตามมีตามเกิดให้อยู่ตามป่าตามเขาเพราะว่าเป็นที่เหมาะกับการภาวนาเหมาะกับการเจริญจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจจะสงบจะพัฒนาได้จําเป็นจะต้องมีสถานที่สงบถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองนี้ จะมีอุปสรรคมากมายคือแสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จะมาคอยสร้างความอยากให้กับใจจะทำให้การทำใจให้นิ่งให้สงบนี้เป็นไปได้ยากแล้วก็ต้องอต้องใช้เงินทองในการสร้างที่วาสัยเลยให้าพาไปอยู่แบบธรรมชาติอยู่ตามป่าตามเขา ตามถาม้ำตามเงื่อมผาถ้าอยู่ตามโคนไม้ก็ให้เก็บกิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพลงไว้หลบแดดหลบฝนได้ก็พอพระภิกษุไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะต้องมีใครอยากจะมาขโมยพระมีสมบัติแค่ปาดชิ้นนั่นเองก็คือมีบาตรหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีประคตเอวเข็มขัดรัดเอวมีที่กรองน้า มีมีโจนไว้ตรงผมแล้วก็มีเข็มกลับได้ไปสำหรับซ่อมเวลาจีวรขาดจะได้มีเข็มกลับได้มาซ่อมมาปะสมบัติของนักบวชก็มีเท่านี้แต่ท่านอยู่กันอย่างมีความสุขทางด้านจิตใจเพราะมีสมบัติน้อยก็มีความกังวลน้อยมีสมบัติมากก็มีความกังวลมาก นี่คือที่อยู่อาศัยอยู่กันแบบมากน้อยสันโดษตามมีตามเกิดอย่าไปหลงกับทัศนคติอย่าไปหลงกับความนิยมทางโลกว่า <c oughs> จะต้องมีบ้านใหญ่โต <c oughs> มีข้าละาหารมีมีหลังละมีหลายสิบห้องด้วยกัน <c oughs> ยิ่งมีมากยิ่งมีภาระมาก มีห้องมากก็ต้องมีการทำความสะอาดมากดูแลมากค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายมากก็ต้องหาเงินมากมาให้กับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติต่างๆฉะนั้นอยู่แบบมากน้อยสันโดษดีกว่าอยู่ตามกำลังของเรามีกำลังอยู่บ้านในระดับไหนก็ซื้อบ้านระดับนั้นไปถ้าเราไม่เดือดร้อนทางด้านจิตใจ ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาซื้อบ้านราคาแพงๆอยู่ร่างกายอยู่บ้านแพงแต่ใจนี้เครียดกับการที่ผ่อนส่งผ่อนส่งเงินให้กับบ้านอย่ามีความเครียดดีกว่าถ้าเป็นไปได้ซื้อซื้อสดไปถ้าซื้อสดไม่ได้ก็เช่าไปเช่าห้องเช่าบ้านไปจ่ายเป็นเดือนๆไปแล้วก็จ่ายไปตามกำลังของเรามีกำลังมีเงินเดือนได้เดือนเท่าไหร่ ที่จะให้กับค่าเช่าบ้านได้ก็ให้ไปตายไปเราก็าบ้านไปไม่ได้ไม่ต้องซื้อบ้านจะได้บ้านตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นอย่นอย่าไปสร้างภาระกดดันให้กับทางจิตใจเพราะเราต้องการที่จะดูแลจิตใจให้สุขสบายเหมือนกับร่างกายด้วยแต่ถ้าเราดูแลร่างกายให้สุขสบายแต่เป็นการไปสร้างภาระกดดันให้กับจิตใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอไม่ไม่ถูกก็คือต้องดูแลทั้งสองส่วนให้ถูกร่างกายก็ต้องสุขใจก็ต้องสุขด้วยนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ไปตางกําลังของเราบ้านก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเวลาเรานอนหลับเราไม่รู้หรอกว่าเรานอนอยู่ในบ้านราคาเท่าไหร่บ้านราคาร้อยล้านบ้านราคาบ้านเช่าเดือนละสี่ห้พัน เวลานอนหลับนี่ไม่รู้หรอกว่าอยู่ในบ้านแบบไหนเป็นที่หลับนอนหลบแดดหลบฝนได้แล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้อยู่ในบ้านกันพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องรีบออกนอกบ้านไปทำมาหากินและบ้านบ้านใหญ่ๆบ้านของคนรวยนี้มักจะสร้างให้คนใช้อยู่กันคนใช้อยู่บ้านทั้งวันแต่เจ้าของบ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านละ ว, วันวันหนึ่งออกไปทำมาหากินหาเงินหาทอง กลับมาบ้านก็เย็นข้ากลับมาก็นอนพอตื่นเช้าก็ไปแล้วไม่ได้อยู่กับบ้านของตัวเองเท่าไหร่สร้างให้คนใช้อยู่สร้างให้คนสวนอยู่ อ, อันนี้เป็นความไม่ฉลาดเพราะเป็นการไปกดดันทางด้านจิตใจที่จะต้องคอยดิ้นนนหาเงินหาทองมามามีบ้านแพงๆมีอยู่กัน เรื่องของบ้านเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าโรคมันจะหายรักษาที่ไหนมันก็หายถ้ามันจะตายรักษาที่ไหนมันก็ตายโรงพยาบาลราคาแพงๆก็มีคนไข้ที่ตายกันโรงพยาบาลถูกก็มีคนไข้ที่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการรักษาร่างกายมากจนเกินไป ร่างกายของเราต่อให้มีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ตามเมื่อถึงเวลามันจะตายเงินทองกองเท่าภูเขาก็ห้ามมันไม่ได้ตายด้วยกันทุกคนฉังนั้นอย่าไปเสียเวลาให้กับการที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้ตายเลยดีไม่ ด, ดีกับเป็นการเป็นทรมานจิตใจกับร่างกายยื้อให้ร่างกายอยู่ไปแบบไม่เป็นประโยชน์ให้นอนติดเตียงเป็นปีๆ พอมีเงินจ่ายค่ายาค่าหมอแต่คนไข้ทำอะไรไม่ได้นอนติดเตียงอยู่อย่างนี้ก็เป็นการทำทำโทษให้กับใจกับร่างกายแทนที่จะทําคุณทําประโยชน์ให้กับใจกับร่างกายวิธีที่ถูกต้องก็รักษามันไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไป ถ้ามันหายใจเองไม่ได้ก็ไม่ต้องแบวเครื่องหายใจมาช่วยหายใจถ้าหัวใจมันบีบเต้นของมันเองไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องไปใช้เครื่องช่วยหัวใจไม่ต้องไปใช้สายยงสายยางอะไรต่างๆถ้ากินเองไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอย่างนี้จะดีกว่ามันจะได้ไปง่ายแล้วไปสบายไม่ยืดเยื้อเพราะอยู่ไป ติดเตียงมีหมอมีพยาบาลมียามาคอยหล่อเลี้ยงเป็นปีๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนเราต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตของเราทุกคนนี้มันมีจุดสิ้นสุดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร่างกายของทุกคนต่อแล้วก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาดังนั้นการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกายนี้ เราควรจะเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่แล้วทำประโยชน์ให้กับเราและกับผู้อื่นให้ได้ถ้าอยู่แล้วทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับจิตใจก็ไม่ได้ทำประโยชน <icho> ์ให้กับคนอื่นก็ไม่ได้แล้วอยู่ไปทำอะไรอยู่แล้วกายเป็นภาระให้กับผู้อื่นอยู่ไปทำไม อ, อันนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดกันถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ เราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ <c oughs> แล้วร่างกายของเราก็อยู่สบายไปตามอายุขของมันตามเวตามบุญตามกรรมของมัน <c oughs> คนเรามันมีบุญมีกรรมติดตัวมากันบางคนก็อยู่แล้วมีอายุยืนยาวนานบางคนอยู่แล้วก็มีอายุสั้นอันนี้ละทางทางศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญของบาปที่ได้ทํามา บางคนมีบุญเยอะอายุก็ยืนยาวนานอยู่เกินร้อยปีก็มีบางคนมีบาปมีกรรมติดตัวมาอยู่ไปไม่กี่ปีตายไปก็มีดังนั้นเรื่องของบุญกรรมนี้เรื่องของบุญของบาปนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราทามาในอดีตเราจะห้ามได้ก็เฉพาะบุญกับบาปที่เรายังไม่ได้ทำในปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะให้ ชีวิตของเราในอนาคตนี้ดีขึ้นเราก็ควรที่จะทำบุญให้มากทำบาปให้น้อยแล้วเวลาเราไปเกิดชาติหน้าถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเรายังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะได้อยู่ในสุขคติกันการที่เราจะทาให้ใจเราเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติหรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เราก็ต้องมีปัจจัยสี่ของทางจิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหารร่างกายต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์จิตใจก็ต้องการเสื้อผ้าอภรณ์ร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยจิตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยร่างกายต้องการยารักษาโรคใจก็ต้องการยารักษาโรคเหมือนกันเพียงแต่ว่า ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของทางร่างกายเช่นอาหารอาหารของใจนี้ไม่ใช่อาหารที่เรากินเอามาเลี้ยงร่างกายเช่นกับข้าวกับปลาของเค้าของหวานนี้เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงใจได้อาหารของใจคืออะไรอาหารของใจก็คือการทําบุญทําทานเรียกว่าทานการให้ เวลาเราทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจความหิวความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะลดน้อยลงไป <Yeah. S 2> เวลาที่เราไม่ได้ทำบุญทำทานนี้ใจเรามักจะหิวหิวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากไปนั่นอยากมานี่ <Yeah. S 2> มันมีความหิวเพราะว่ามันไม่ได้รับอาหาร <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราทำบุญกันเป็นปกติ ทำบุญกันเหมือนกับเราให้อาหารของทางร่างกายเช่นศรัทธายาโยมที่อยู่ตามชนบทนี้มีโอกาสได้ทาบุญทุกวันเพราะจะมีพระมาบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็จะได้ทาบุญใส่บาตรให้อาหารกับพระแล้วก็ให้เท่ากับเป็นการให้อาหารกับจิตใจจิตใจก็จะไม่หิวโหวยทำให้ชาวบ้านนี้เขาอยู่กันแบบบางน้อยสันโดษได้ เขาไม่ค่อยดิ้นรนเขาไม่ต้องวุ่นวายไปกับการที่จะต้องมีลาบยศสรรเสริญมีอะไรต่างๆมากมายกายกองเพราะใจเขามีอาหารทำให้ใจเขาไม่หิวโหวยเขาอยู่อย่างเป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายมีอาหารมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้วส่วนจิตใจก็มีทานหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาก็าทาให้จิตใจของเขาล่มเย็นเป็นสุข ถ้าเราอยากจะมีความนุ่มเย็นมีความสุขความอิ่มเอิบใจก็ควรทำบุญทุกวันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำบุญเพราะว่าไม่มีพระมาให้เราใส่บาตรทุกวันเราก็สามารถเอาเงินที่เราจะใส่บาตรนี้ใส่ไว้ในกระปุกไว้ก่อนก็ได้ใส่ไว้ในกระปุกใส่ไว้ในกล่องเราเขียนว่าเป็นเงินใส่บาตรเงินทำบุญแล้วเราไม่ต้องต้องไม่แตะเงินก้อนนี้ ทุกวันตื่นขึ้นมาเราอยากจะใส่บาตรเราก็เอาเงินที่จะไปซื้ออาหารใส่บาตรนี้เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ไว้ในกล่องแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจว่าวันนี้เราได้ทําบุญหรือในยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถโอนเงินผ่านทางมือถือได้ถ้าเรามีบัญชีในธนาคารเราอยากจะทําบุญวันนี้เท่าไหร่แล้วก็กดเข้าไปกดปั๊บเงินก็เข้าไปในธนาคารไป ไปที่วัดที่เราต้องการจะทาบุญไปวัดไหนถ้าวัดมีบัญชีเราก็สามารถโอนเงินเข้าวัดได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะทำบุญกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นวัดก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโรงเรียนทำบุญกับสถานสงฆ์หรือองค์กรการกุศลที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้กันเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเราก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเขาได้เลย พยายามทำทุกวันมากน้อยไม่สำคัญทำตามกำลังของเราดีกว่ารอให้นานๆค่อยทำสักหนึ่งครั้งเพราะว่าเวลานานๆานนนทำทีมันจะทาไม่ได้มากเพราะถ้าเป็นก้อนใหญ่เราก็จะเสียดายเราก็จะไม่อยากไม่กล้าทำมากไม่อยากจะทามากแต่ถ้าเราทำทุกวันถึงแม้จะเป็นวันละเล็กวันละน้อยแต่เดือนอย่างนี้มันก็คูณต้องสาสเข้าไป ใหนเราทำบะวันละห้าบาทเดือนหนึ่งก็1้อยห้าสิบบาทไปแลแต่ถ้าเรารอให้ปีหนึ่งค่อยมาทำบุญสักครั้งวันสาคัญเราก็จะทำได้ไม่มากเพราะถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่เราก็จะเสียได้แต่ถ้าเราทำบุญทุกวันทุกวันนี้พอสิ้นปีเรามารวบรวมดูปริมาณเงินที่เราทำบุญนี้มันก็จะเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ถ้าอยางนั้นท ถ้าทําทุกวันได้จะดีเพราะามันจะได้เป็นการปลูกฝังนิสัยของการให้ของการทําบุญเพราะว่าถ้าเรานานๆ ท, ทําทีมันจะทํายากเพราะนานๆทําสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราทําเป็นประจําทุกวันทุกวันนี้มันจะติดเป็นนิสัยไปแล้ววันไหนไม่ได้ทำํำเราจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางคนเคยใส่บาตรทุกวันบางวันตื่นสายมาใส่บาตรไม่ทันก็อุตส่าห์ขับรถตามมาที่วัดก็มี เพราะว่ารู้สึกขาดอะไรไปเหมือนกับไม่ได้กินอาหารพยายามทำบุญให้มันเป็นนิสัยไปแล้วเราจะได้มีบุญสะสมอยู่ในใจของเราให้เป็นอาหารของใจทำให้ใจของเรานี้ไม่หิวโหวยไม่ไม่ไม่อดอยากขาดแคลนจะไม่หิวกับเรื่องราบยศสลรเส ร, ริญกับรูปเสียงกินก็ ไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของแพงๆอะไรต่างๆเพราะใจมีความสุขจากการทำบุญทำทานอันที่สองของบุญที่เราทำนี้มันก็จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทวดาเวลาที่เราตายไปนี้ถ้าเราไม่ได้ทำบาบนึกทำบาปน้อยกว่าบุญที่เราทำไว้บุญนี้จะจะยกให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นต่างๆ นี่คืออา น, นิสงส์ของการของการทาบุญทําทานเป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นอาหารของจิตใจทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอไม่หิวโหยไม่โลภมากแล้วปัจจัยข้อที่สองของใจคือเสื้อผ้ า, าพรคืออะไรเสื้อผ้ า, าพรของใจก็คือศีลและธรรมนี่เองศีลห้านี่แหละเป็นเสื้อผ้าภรใครที่รักษาศีลได้มีศีลมีสัตย์ มีความซื่อสัต์สุจริตไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นนีเป็นคนที่สวยงามเป็นเสื้อผ้าพรเหมือนคนที่ใส่เสื้อผ้าพรที่สวยงามเสือ้อผ้าพรที่วิจิตพิสดารเวลาเราเห็นใครเขาแต่งเสือ้อผ้าด้วยเสือ้อผ้าพรที่วิจิตพิสดานนี้เรารู้สึกว่าเขามีความสง่าราศีใจของเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ใจของเรามีสง่าราศีขอให้เรามีศีล สีนีนะ่จะเป็นเสื้อผ้ า, าพรที่จะให้ความสงา่าความสวยงามแก่จิตใจและก็จะป้องกันภัยที่จะมาทำลายจิตใจด้วยภัยที่จะมาทำลายจิตใจคืออะไรก็คือบาปนี่บาปกรรมนี้ที่จะดึงใจของเราให้กลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์นรกไปแต่ถ้าเรามี ศีลไว้สวมใส่ใจของเรานี้ศีลจะปกป้องไม่ให้ใจเรากายไปเป็นเดรัจฉานไม่ให้เราเป็นเปรตไม่ให้เราเป็นนสุรกายไม่ให้เราไปเป็นสัตว์นรกกันถ้าเราไม่มีศีลห้านี่ใจของเรานี่จะจะถูกบาปมาดึงให้เราไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะความเหี้ยมโหด ชารลุนโหดร้ายของของใจที่จะต้อเป็นที่ไม่มีศีลว่าคอยป้องกันคอยปราบปรามันเราจึงต้องสร้างศีลขึ้นมานี่แหละคือเสื้อผ้าพรคนที่มีศีลมีสัตว์นี้อยู่ที่ไหนกับใครก็มีแต่คนยินดีชื่นชมอยากจะให้อยู่ด้วยต่างกับคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์นีไม่มีใครอยากจะให้อยู่ด้วยเป็นคนที่น่ารังเกียจคนคนที่ไม่มีศีลมีสัตว์เนี่ย คนที่อยู่แล้วจะต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ไปรักทรัพย์ก็ไปโกหกหลอกลวงไม่โกหกหลอกลวงก็ไปประพฤติผิดประเพณีกับสามีกับภรรยาของผู้อื่นเมื่อไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปฆ่าผู้อื่นก็ได้แต่ถ้ามีศีลแล้วนี่จะไม่มีการกระทาเหล่านี้คนที่มีศีลก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักคนที่สวยงาม แล้วตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายอันนี้คือเรื่องของเสื้อผ้าพรของจิตใจต้องมีศีลไม่มีความซื่อสัสตว์สุดจริญไม่ทําบาปทํากรรมกับผู้ใดแล้วก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมในอนาคตต่อไปส่วนข้อที่สปัจจัยของใจคือที่อยู่อาศัยอะไรคือที่อยู่อาศัยของใจอะไรที่จะป้องกันภัย ทำให้ใจอยู่แล้วสงบเย็นเป็นสุขที่อาศัยของใจก็คือสมาธินี่คือความสงบเวลาใจเราวุ่นวายทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ถ้าเราเข้าสมาธิได้ความทุกข์เหล่านี้จะตามเข้ามาไม่ได้ความทุกข์เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะเข้ามาในใจเราไม่ได้เวลาเราเอาใจเข้าไปในสมาธิ ก็เหมือนกับเวลาที่เราเอาร่างกายเราเข้าไปในบ้านของเราถ้าอากาศข้างนอกฝนตกนี้ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะโดนฝนสาดฝนเปียกพอเข้าบ้านเข้าไปในบ้านก็จะปลอดภัยจากฝนจากลมต่างๆหรือถ้าเป็นอากาศร้อนถ้าเราเข้าบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างเย็น ถึงแม้ว่าข้างนอกจะร้อนมากมายขนาดไหนก็ตามความร้อนภายนอกก็ไม่สามารถตามเข้ามาในบ้านเราได้สมาธิก็เป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยของใจที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับใจเวลาใจที่วิตกกังวลเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้ห่วงใยคนนั้นห่วงใยคนนี้เศร้าโศกเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ ความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะหลบมันได้หนีมันได้ด้วยวิธีการเข้าไปในสมาธิแต่การที่จะเข้าสมาธิด้นี้เราต้องรู้จักวิธีเข้าเราต้องรู้จักวิธีสร้างสมาธิสร้างบ้านขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่สร้างบ้านขึ้นมาเวลาที่เรามีภัยเราจะไม่มีที่หลบภยัยอันใด สมาธิก็เป็นบ้านของใจเราก็ต้องสร้างบ้านคือสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้และวิธีที่สร้างสมาธิก็คือการเจริญสตินี่เองการเจริญสติการ <c oughs> การควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องให้ใจหยุดคิดหยุดคิดให้ไดถ้ถ้าใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบจะนิ่งจะเย็นจะสบายเป็นสมาธิ การที่จะทําทให้ใจนิ่งสงบด้านนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและทําแบบทั้งวันทั้งคืนดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเราอยากจะมาฝึกสร้างสมาธิกันนี้สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือเราต้องต้องมีที่สงบที่เราไม่ต้องมีความวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆปกติถ้าเราอยู่บ้านเราอยู่ที่ทํางานนี้มันจะมีเรื่องราวให้เราต้องวุ่นวายตลอดเวลา โอกาสที่จะทำให้เราหยุดคิดนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวเวลาเช่นในวันหยุดทำงานเช่นวันนี้สมมติว่าเราหยุดทางานเราไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็อาจจะไปหาวัดหรือหาที่สงบที่ไหนสักแห่งอยู่คนเดียวให้ได้หาที่อยู่คนเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมารบกวนใจเรา <c oughs> อย่างนั้นนะถ้ามีที่สงบวิเวกอยู่ตามลาพังได้ ไม่มีอะไรมาคอยครบกวนใจเราเราถึงจะสามารถเจริญสติเพื่อให้หยุดความคิดต่างๆได้การจะหยุดความคิดได้นี้ต้องมีสติเหมือนกับรถยนต์นี้การที่จะเบรกให้รถยนต์หยุดได้เราต้องเหยียบเบรกถ้าเราไม่มีเบรกรถยนต์ของเราจะไม่หยุดตามความที่เราต้องการเช่นขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงจะต้องหยุดรถพอเหยียบเบรคไปแล้วเกิดเบรคไม่มีรถก็จะไม่หยุด แล้วมันก็จะวิ่งต่อไปแล้วอาจจะไปชนกับรถคันอื่นได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเรานี้ชอบคิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ก็เริ่มคิดกันเลยคิดกันบางจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่หยุดคิดกันคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ต่อคิดถึงคนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนี้ต่อคิดถึงที่นั่นแล้วก็คิดถึงที่นี่ต่อมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมา ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาความคิดนี้ของพวกเราของปุถุชนนี้ส่วนใหญ่เป็นความคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดแล้วก็ทาให้ใจมีความทุกข์วุ่นวายใจเพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นนี้เราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันเราต้องติดเบรกให้กับใจเบรกของใจก็คือสติ การที่เราจะมีสติได้เราต้องสร้างด้วยการควบคุมใจให้คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้คิดถึงคําว่าพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียว <Okay. S 1> ลืมตาขึ้นมาพอตืินขึ้นมาปักก็เริ่มสร้างสติขึ้นมาเลยถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็ไม่ต้องพูดไปคุยกับใครไม่ต้องคิดไปทํา <Right. S 1> ว่าจะต้องไปทํานู่นทํานี่เราก็ลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเลยท่องพุโทโธไปภายในใจ แล้วเราต้องไปทำภารกิจส่วนตัวก็ไปทำไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร <c oughs> ทำอะไรที่จำเป็นต้องทำถ้าไม่มีอะไรต้องทำเราก็เดินจงกรมเดินจงกรม น, นั่งสมาธิไปเลยแต่ต้องมีพุทโธคอยกํากับใจอยู่ตลอดเวลาถึงจะนั่งให้ใจสงบได้ถ้าไม่มีสติคอยกํกกับใจไม่มีพุทโธให้อยู่กับใจนี่ เดี๋ยนั่งไปปับ๊บมันก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งไปนานทั้งเท่าไหร่ใจก็ไม่มีวังสงบได้เพราะไม่มีเบรกที่จะมาหยุดความคิดของใจนั่นเองเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขานี่ถ้าไม่มีเบรกนี้มันจะไม่หยุดมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยใจของเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนรถที่วิ่งลงเขาถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งอยากจะให้มันสงบเราต้องสร้างสติขึ้นมา แล้วเราต้องพยายามสร้างอยู่บ่อยๆสร้างอยู่เรื่อยๆเวลาไหนที่เรามีเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งกับใครก็ไปอยู่ไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปฝึกสติกันแล้วเราจะมีสติเพิ่มขึ้นตามลําดับแล้วต่อไปการนั่งสมาธิของเราก็จะสงบมากขึ้นสงบได้นานขึ้นเวลาจิตสงบนี้จิตจะสุขจิตจะมีความสุขมาก ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆจะหายไปหมดความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดของเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเราหยุดคิดปั๊บเราก็ลืมไปเลยคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หายไปจากใจของเราความทุกข์ที่เกิดจากความคิดของเราถึงคนนั้นคนนี้มันก็หายไปใจเราก็สงบเย็นสบายชั่วคราว นี่คือสมาธิคือบ้านของใจนะถ้าเรามีบ้านในสมาธิเราจะมีที่หลบความทุกข์ได้เวลาจิตใจวุ่นวายเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายจะวิ่งตกกังวลหวาดกลัวก็เข้าไปในสมาธิแล้วความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่หลังจากออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมสติไม่ควบคุมใจด้วยสติเดี๋ยวปล่อยให้มันคิดมันก็อาจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาได้อีก ความทุกข์ใจที่เวลาความทุกข์ใจนี้ทางศาสนาเรียกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจความทุกข์กังความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เป็นเป็นเป็นโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจและเชื้อโรคของของโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่และวิธีที่จะรักษาเชื้อโรคของใจคือความโลภความโกรธความหลงได้นี้คือต้องใช้ปัญญา ปัญญาก็คือเป็นปัญญานี่แหละคือยารักษาโรคของใจถ้าอยากจะให้ความทุกข์ความวิตกความกังวลความหวาดกลัวต่างๆาหายหมดไปจากใจเราต้องกินยาคือปัญญายาปัญญานี้เรียกว่าธรรมะอสุจธรรมะอสุจของปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความโลภความอยากต่างๆของเรา พอเราเกิดความโลภแล้วใจเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วใจเราเริ่มทุกข์เริ่มกังวลแลเริ่มกังวลกังวายว่าจะได้หรือไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเวลาได้ก็ดีใจแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกมันก็จะไม่มีวันหมดได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะต้องไปวิตกกังวลแล้ต้องไปเสีย อ, อกเสียใจ เวลาต้องสูญเสียสิ่งที่ได้ไดมาไปนวิธีที่จะแก้ความโลภความโกรธความหลงของเราเนี้เราต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปแลเราห้ามมันไม่ได้ห้ามให้สิ่งที่เราได้มานี้จากเราไปไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันก็ไปได้เงินมาใช้ไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดได้ได้ยศได้ตาแหน่งมาเดี๋ยวก็ถูกปลดถูก ปลุเลื่อนได้ได้รางวัลมาคราวนี้คราวหน้าก็อาจจะไม่ได้รางวัลก็ได้ได้คําสรรเสริญยกย่องวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะโดนเขาด่าก็ได้<ม>นี่คือเรื่องของโลกกระทำสิ่งที่เราอยากได้กันคือเราอยากได้ความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขแต่เรามองไม่เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่เจริญเพียงอย่างเดียว มันมีทุกมันมีความเสื่อมตามมาด้วยได้ลาบก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดาได้ยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดาได้สรรเสริญก็มีดินธามาเป็นธรรมดาได้สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมีทุกตามมาเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสหายไปแล้วหมดไป ให้เราพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นใจรักษณในสภาวะธรรมทั้งปวงในโล ก, กธรรมแล้วทาให้ใจเราจะได้ตัดความโลภความอยากในสิ่งต่างๆได้พอเราไม่มีความโลภความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เหมือนกับกินยาเวลาที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บหมอก็ให้ยาเรามารับประทานพอเรารับประทานยาเข้าไปยาก็ไปทําลายเชื้อโรคที่สร้างความโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกาย ร่างกายก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้ใจก็เหมือนกันเวลาใจทุกใจก็ทุกจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงนี่เองเราก็ต้องเอายาคือธรรมโอสถคือปัญญาเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับสั่งให้มันเที่ยงให้อยู่กับเราให้ความสุขของเราไปตลอดไม่ได้ วันใดวันหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปพอเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเราก็จะได้ตัดความอยากความโลภต่างๆได้พอเราไม่มีความโลภความอยากในใจของเราแล้วใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีในใจเราจะหายไปหมดพระพุทธเจ้าและพระอาันาท์ตสาวกนี้ท่านรักษาใจของท่านจนกระทั่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางใจมีแต่บรมมสุข ใจของท่านมีแต่ปรมังสุข s u k นิบานังปรมังสุขั u k ใจที่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเรียกว่าพระนิพพานใจที่ไม่มีโลภโกรธหลงก็เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขนี่คือยารักษาโรคใจเป็นปัจจัยที่สี่ของใจถ้าเรามีปัจจัยทั้งสี่ชนิดให้กับใจแล้วใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดถ้าเรามีปัจจัยสี่ทางร่างกาย ร่างกายของเราก็จะอยู่ไปตามอัตภาพจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของร่างกายของชีวิตนี่แหละคือที่พึ่งของชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติ เยชีตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสย t ามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายอยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมาวะทานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ531ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์336 YouTube ดร V 65วิทยุออนไลน์12 Clubhouse 6นาคุด272รวมทั้งหมด 1,222 ท่านค่ะเชิญถามได้เลยค่ะ คำถามจากผู้รับฟังทางบ้านนะคะกลาบขอเมตตาหลวงพ่อให้ความกระจ่างเรื่องอารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างไรเจ้าคะเพราะขั้นพระสกิทาคามีไม่มีสังโยชน์อย่างพระโสดาบันที่มีสังโยชน์สามส่วนผ่านสังโยชน์สี่และห้าก็เป็นพระอนาคามีค่ะพระสกิทาคามีอยู่เราอยู่ครึ่งทางระหว่างพระโสดาบันกับพระอนาคามี คือยังละสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ได้เต็มที่ละได้บางเวลาเรียกว่าทำให้เบาบางลงไปคือถ้าพูดภาษาเราก็ห้าสิบเปอร์เซนตบางทีก็ยังรักอยู่บางทีก็ยังชังอยู่บางทีก็ยังเบื่ออยู่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องเพศแต่ถ้าพิจารณาเรื่อยๆต่อไปให้เห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามตลอดเวลาก็จะเป็นพระนาคามีได้ ทำธจากทาง Facebook ค่ะการทําความเห็นให้ตรงกับความเห็นของพระพุทธเจ้าทุกประการเป็นการเปิดดวงตาให้เห็นธรรมกระผมเข้าใจแบบนี้ผิดถูกประการใดน้องขับขอพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนด้วยครับก็ให้เห็นอริยสัจสี่แล้วก็ให้เห็นใจรักอันนี้คือสุดยอดของปัญญาคือให้เห็นว่าทุกเจ้าจากความอยากของเราแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ก็ต้องเห็นใตรัก เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคำถามจากทางบ้านค่ะผมเป็นคุณครูโรงเรียนอนรุบาลได้ทำโครงการค่ายเด็กวัดทุกเดือนผมจะพาครอบครวบัวผู้ปกครองและเด็กเล็กปฐมวัยและวัยประถมไปวัดป่าไปทำบุญตักบาทฟังธรรมถวายจตุปัจจัทยทายทานทั้งถือศีลห้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาทาวัดสวดมนต์เป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนได้ ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้โครงการก็จะครบรอบสองปีพอดีครับกลับขออนุญาตท่านพระอาจารย์เมตตาช่วยให้โอวาสอนธรรมะให้เด็กๆผมจะนำธรรมะจากพระอาจารย์ไปเปิดให้เด็กๆฟังครับ ก็ไปเปิดด้านที่เทศเวลาก็มีเยอะแยะเะตอนนี้จะให้มาเทศใหม่ทีก็ไม่มีเวลาช่วงนี้ก็ไปดูที่เราได้เทศมาทั้งหมดแนละ้วไปเปิดให้ฟังได้ไปเลือกเอาว่าไหนเหมอะออมคำถามจากทางเฟซบุกค่ะ สังขารความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาทำจิตใจอย่างไรให้มองได้เป็นธรรมดาจริงๆโดยไม่ทุกจริงๆต้องมีสมาธิขั้นอุเบกขาให้มากๆใช้หมเจ้าขาถึงจะขาถ้ามีอุเบกขาแล้วก็จะวางเฉยไนดะ้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะรักจะชังจะกลัวจะหลงแ้ฝึกสมาธินั่งฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆแล้วใจจะเน่งจะวางเฉย รรร่่าางกกยยเเป็็นอออไไม yeah. คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะลูกขนาดนั่งพับเพียบเวลาทําสมาธิได้ใหม่เจ้าค่ะแล้วเวลานั่งจนจุกที่อกสักพักเจอเหมือนมันว่างมันโลง่งแล้วลูกก็พยายามหะแล้วลูกก็พยายามควานหาจิตแล้วมันก็ต้องมาเริ่มแล้วมาจุกใหม่วนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนเลยเจ้าค่ะ เราไม่ถูกหรอกานั่งต้องให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่นพุทธโธไปเรื่อยๆจังกว่าจิตจะนี้งจะสงบหรือถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปตามหานู่นหานี่นให้นั่งเฉยๆให้ดูลมหรือให้พุทธโธไปอย่างเดียวคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การสะดุ้งขณะนั่งสมาธิเกิดจากอะไรคะสังเกตว่าวันที่สะดุ้งจะเป็นวันที่มีกิจกรรมเยอะคะ่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็ให้ดูว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาก็แล้วกันเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เหมือนฟ้าแลบฟ้ามันจะแลบฟ้ามันจะร้องกามันถึงเวลามันก็ร้องของมันไปเราไม่เป็นผู้ผู้รู้ก็รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะมีคําเปรียบเทียบว่ามีคําเปรียบเทียบที่ว่าถ้าเปรียบเกลือคือบาปน้ําคือบุญทําบาปแล้วเติมน้ําคือเติมบุญเรื่อยๆลงไปความเค็มเจือจางบาปนั้นจะลดลงหรือไม่เจ้าคะบาปไม่ลดลงคนระับเพียงแต่ว่ากําลังของมันอาจจะสู้กําลังของบุญไม่ได้เวลาที่จะแสดงผลนี่ ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะแสดงก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะแสดงก่อนเช่นช่วงที่เราตายบุญกับบาปจะมาแย่งดวงวิญญาณของเราถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงดวงวิญญาณเราไปส่วบายมีคำถามเชิญ ขอขอโอกาสเจ้าค่ะอันนี้ถามจากหนังสือธาตุรู้นะคะของอาจของท่านนะคะตกลงเรานี่ก็คือเป็นเป็นธาตุที่มโนคือใจใช่ไหมคะเราไม่มีหรอกเรามันเป็นตัวตัวละครที่ใจสร้างขึ้นมาทั้งนี้ใจคือผู้คิดผู้รู้สร้างตัวเราขึ้นมาเหมือนคนแต่งนิยายนิยายมีจริงไหมผงท้ายแล้วก็เป็นเรื่องนิยายเรื่องของความคิดปรุงแต่งของใจ ใจไปคิดตัวเองว่าเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตนแต่ใจไม่ใช่เป็นตัวตนใจเป็นตัวรูเ้เป็นธรรมชาติที่รู้ก็คือคิดได้ก็คือเป็นธาตุรู้อ่าท่านนั่นแหละแล้วที่บอกว่าเคยอ่านบอกว่าธาตุรู้นี่มีอายุไขไม่มีมันก็ไม่มีวันตายไม่มีวันเกิดมันมีมาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ที่อัน น, นี้ยงเข้าใจเองที่มันมีอายุไขเพราะว่า อ, อายุไขก็คือการที่มันไปคลุกเค้ากับอยู่กับ สิ่งที่เกิดดับก็เลยนี่รึเปล่าคะที่มไม่ใช่ละมันไปผสมกนมันเป็นร่างกายเป็นต้นไม้เนี่ยมันก็มันก็จะอยู่ด้วยยด้วยกันชั่วคราวู่ถึงเวลามันก็แยกทางกันไปสรุปก็คือใจเราก็คือทารู้ที่มันไม่ตายคือทารู้ไม่ใช่เราทารู้เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาทารู้เป็นคนแต่งนิยายคนเขียนนิยาย แล้วถ้าเกิดเราถึงอโหานี่ท่านรู้ยังไงคะก็จะแยกรู้ก็รู้รู้ว่าไม่มีเราค่ะหารก็จะรู้เฉยๆใครด่าก็รู้ว่าไม่ได้ด่าเราด่าร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่เราอีกเรื่องก็คือท่าที่ห้าก็คืออากาศนี่ไม่ใช่ออกซิเจนใช่ไหมแต่เป็นสเปซใช่ไหมไม่อาอากาศสเปซพื้นที่อถ้าไม่มีพื้นที่ของท่าดื่มน้ำดมไฟก็ไม่มีที่อยู่ที่ตั้งอค่ะ อาวากาศสถทานไม่ใช่อากาศสถทานอาวากาศสถทานอาวากาศนะคะอาวากาศมีคนถามที่ในหนังสือคะ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าเขาเข้ า, ขาไอ โดยโดยเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าะคะ่ะที่ใช้ปัญญาเข้าสมาธิอะคะ่ะลงขอคือ2เดือนที่ผ่านมายุคตุยยมทุกข์มากนะคะแล้วก็ก็เลยใช้ปัญญาเข้าอะคะ่ะรู้สึกมันจะดีกว่ามากเลยเพราะปกติถ้าไม่ทุกข์เนี่ยมันเหมือนเอิรระเหยือลอยชายแต่พอใช้ปัญญาเข้าขออนุญาตท่านอธิบายที่อย่างเช่นพ่อพระพุทธเจ้าะคะ่ะที่พระพุทธเจ้ากรณีพิเศษก่อนที่ท่านจะสิ้นนะคะท่านใช้แบบปัญญาเข้าอะคะ่ะ เพราะท่านมีทุกข์มากเลยมีร่างกายที่เจ็บปวดทรมานทุกข์กับความเจ็บปวดทุกข์กับความตายก็ต้องใช้จิตญาระดับความทุกข์หนึ่งคือเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอท่านเห็นว่ากาที่ท่านทุกข์นี้ทุกข์เพราะไม่อยากตายทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บแต่ก็ห้ามความเจ็บความตายไม่ได้ท่านก็ยอมเจ็บท่านก็ยอมตายท่านก็หายทุกข์ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายก็ยังเจ็บยังตายอยู่เหมือนเดิม แต่ใจท่านไม่ทุกข์กับมันเท่านั้นเองท่านก็บรรลุได้คือเอาตัวอย่างโยมนะคะโยมคือเข้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นสมาธิอย่างแต่โยมเข้าไปที่สตินะคะแล้วก็ไม่รู้มันถึงสมาธิอ้วรแล้วมันก็ผุดขึ้นมาเองปัญญาะคะ่ะไม่รู้มันเรียกปัญญาหรือเปล่าแต่ว่ามันจะสอนพอสอนปุ๊บอีกวันแล้วก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็สอนแต่ว่ามันมันเย็นมากก็เล ย, ยาถามว่ามันมันใช่หรือว่ามันเป็นความคิดท่านเงย็นก็ท่านเย็นก็ใช่นะท่านยงังไม่ทุกข์ ignored. ปฏิบัติเพื่มให้ใหมันร้อนปฏิบัติให้มันเย็นให้มันสบายร่างกายจะเป็นจะตายก็เย็นเฉยโอเคค่ะอันอันที่สุดท้ายมาจากหนังสือขอขอให้เรื่องมานะคือใจทำคืออารมณ์ที่เกิดกับใจนี่คืออะไรคะอารมณ์ต่ตางไงที่อยู่ในใจเราเช่น อารอมณ์ีอารอมณ์เสียอารมณ์บุอารอมณเบี้ยว เ, เนี่ยทาอารมณ์ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นเองไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ผลิตเองมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนะมันมีเหตุมีเหตุการณ์นํางทีมากระตุ้นมันให้มันเกิดอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างพอใจไปคิดถึงเรื่องราต่างๆก็เกิดอาการอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไม่แต่าจากความคิดตรงแข็งและเกิดการไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงตึกรถต่างๆขอบคุณจ้ะค่ะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอคันนี้เอาแค่ okay. นี้ก่อนนะเวลาหมดนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ